ใจจะสงบก็ต้องมีที่สงบถ้าที่ไม่สงบใจมันก็ไม่สงบคนที่อยากจะเห็นธรรมเขาถึงมักจะไปอยู่ในป่ากันเพราะมันเป็นที่สงบคาว่าสงบก็คืออยู่ห่างไกลจากห่างไกลจากรูปเสียงปิดล็อตต่างๆที่มันจะมาปิดบงังธรรมทำให้มองไม่เห็นธรรมกัน ดังนั้นถ้าอยากจะบรรลุธรรมอยากจะเห็นธรรมก็ต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกิน่นรสแล้วไปทำใจให้สงบถ้าใจอยู่ใกล้รูปเสียงกิน่นรถมันจะสงบยากเดี๋ยวมันได้ยินเสียงมันก็อยากจะไปฟังเห็นภาพก็อยากจะไปดูได้กลิ่นก็อยากจะไปดมมันก็จะทําให้ไม่สามารถทำใจให้สงบได้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 เดี๋ยวก็กเปิดทีวีดูเดี๋ยวก็ร้องลำมทำเพลงกินเลี้ยงกันเราจะมานั่งพุดโทพุดโทมันก็นั่งไม่ไหวใจ mm hmm. มันก็ไปคิดถึงเสียงที่เขากำลังเล่นกันร้องลำมทำเพลงกันขนาดไปอยู่ในป่านี่ยังมีปัญหาเลยอย่างน้องตาท่านเคยเล่า ว, ว่าท่านก็ไปทุดองไปอยู่ในป่า แต่ก็มันก็ต้องอยู่ในป่าที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเพราะต้องไปบินทบาทถ้าว่าบางบางคืนเขาก็มีร้องรำทําเพลงกันเสียงมันก็ไปถึงที่ท่านภาวนาท่านนั่งภาวนาไปแต่ใจก็อยากจะไปร้องรำทําเพลงเขาท่านก็หักห้ามใจว่าอท่านมานี่มาเพื่อที่จะมาหาธรรมไม่ได้มาหาความสุขจากการร้องรำทําเพลง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 ความสุขต่างๆที่ได้จากการทำตามความอยากเป็นความสุขชั่วคราวประเดียวประดา้าเวลาได้ดูได้ดื่มได้ดูได้ฟังได้ดื่มได้รับประทานก็มีความสุขพอดื่มเสร็จแล้วความสุขนั้นก็หายแปแล้วก็เกิดความอยากดื่มอยากรับประทานขึ้นมาใหม่ถ้าไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานก็ทุกข์อันนี้ก็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 ใครอยากจะกันแกล้งก็ปล่อยเขากันแกล้งไปใครอยากจะตีก็ปล่อยเขาตีไปถ้าหลบได้ก็หลบหลบไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของต่ําก็แล้วกันอไม่ใช่ก็เดี๋วก็ต้องตายคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับอะไรอยากเอาอะไรไปก็เอาไปเอาไปได้ก็เอาไป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 แกจะดา่าเรายังไงเราก็ไม่ทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากไม่ให้เขาดา่าเอาทุกข์เพราะเราไม่อยากให้เขาดา่านั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาดา่ า, ดาก็ด่าก็ด่าไปแล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรปากของเขาเราห้ามเขาไม่ได้ก็เหมือนฝเหมือนฟ้าร้องฟ้าร้องเราก็ห้ามมันไม่ได้เราก็ปล่อยมันร้องไปเสียงฟ้าร้องมันดังกับเสียงคนดา่าต้องหลายเท่าเรายังทนได้ กับเสียงด่าเบาๆนั้นกับทนไม่ได้ทนไม่ได้เพราะไม่อยากให้เขาด่าทนั้นเองถ้ายอมไม่เขาด่าแล้วเขาด่าจนปากเปียกปากฉีกเด็กก็หยุดเองะทำใจให้ไม่มีความอยากเราจะสบายออย่าไปอยากในรูปเสียงกิ่นนี้อย่าไปอยากมีอยากเป็นอยากให้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 เราดีไม่ดีก็ไปก่อเวรก่อกรรมกังงนไปด่าเขาไปว่าเขาไปทุบตีเขาเพื่อให้เขาทำตามที่เราต้องการให้เขาทอนี่ก็การที่อยากจะบรรลุธรรมนี่ต้องทำใจให้สงบให้ได้ก่อนถ้าใจไม่สงบแล้วมันจะไม่เห็นธรรมอืใจเวลาไม่สงบมันขุน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 เห็นตัวที่สร้างความทุกข์ขึ้นมาแล้วเห็นจะเห็นตัวที่จะมาหยุดความทุกข์เนี่ยมันก็จะสามารถทำให้ใจไม่ทุกข์กับอะไรได้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ทุกข์กับลาบยศสรรเสริญสุขจะเจริญหรือจะเสือ่อมก็ไม่ไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความอยากในลาบยศสรรเสริญสุข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 เขาทำไม่ดีเขาพูดไม่ดีเขากั่นแก้งเราเขาหิดฉาลิสยาเราเขาโหดร้ายทารุณกับเราแต่ความจริงมันไม่ได้อยู่ที่เขาแล้วเขาเป็นเพียงแต่ตัวจดช่นวนตัวที่เป็นลูกระเบิดมันอยู่ในใจเรา <c oughs> ใจเราเนี่ยเป็นเป็นลูกระเบิด เพียงแต่เราให้คนอื่นก็มาจุดชนวนให้พอเขาพูดไม่ดีหน่อยก็ทุกข์แล้วระเบิดขึ้นมาแล้วเขาเขาทําอะไรไม่ถูกใจเราหน่อยก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วอืพอเราอยากให้เขาทาอะไรเขาไม่ทําให้เราเราก็โกรธแล้วทุกข์แล้วความโกรธก็เกิดความทุกข์แต่ถ้าเราเ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 แต่วิธีการของเราเราไปทำให้เขาเบื่อเพราะเขาไม่ได้เป็นต้นเหตุของการทาความไม่สบายใจของเราต้นเหตุของความไม่สบายใจของเราอยู่ที่ความอยากของเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็มาหยุดความอยากที่เขาปล่อยเขาละเขาเป็นตัวของเขาเราไปบังคับเขาได้ยังไงตัวเราเรายังไม่อยากให้ใครมาบังคับเราเลย ถ้าเราจะไปบังคับคนอื่นให้เขาเป็นอย่างนั้นไปนงี้ได้เขาจะเป็นไงเขาปล่อยก็เป็นไปเลยเขาจะไปก็ให้เขาไปเขาจะอยู่ก็ให้เขาอยู่เมื่อเราไม่ไปกดดันเขาไม่ไปสร้างความลาคาญใจให้กับเขาเขาก็เขาก็ดีกับเราเขาก็ชอบเราเขาก็รักเราเองที่เขาเบื่อเราแล้วเขาไม่ชอบเราก็เพราะเราชอบไปวุ่นวายกับเขา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 ถ้าเขาไม่ชอบให้เราเอาใจก็ไม่ต้องเอาใจปล่อยเขาเขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทําไปอย่างมากก็แค่แยกทางกันคิดแค่นี้มันก็จบถ้ามันจะแยกทางกันจะทำไงมันก็ห้ามไม่อยู่แต่อย่างน้อยเราไม่ทุกข์แล้วแยกก็แยกไปเไปก็ไปเลยเมื่อก่อนเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ เราไม่ได้เกิดมากับเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแปดสยามทำไมจะต้องอยู่ด้วยกันไปไม่มีเขาก็หาใหม่ได้คนไม่ต้องเป็นล้านไม่ใช่มีคนสองคนในโลกนี้เลยเด็กก็ได้ใหม่อาจจะได้ดีกว่าเก่าก็ได้ถ้าถ้าขิดแล้วก็อยู่คนเดียวดีกว่า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 มาหัดทําใจให้สงบกันแล้วปัญหาต่างๆมันก็จะหมดไปพอเวลาใจสงบแล้วเวลาเกิดความทุกข์มันจะเห็นชัดเลยเหมือนกับน้ําที่มันนิ่งเวลาป่ามันผุดขึ้นมานี้มันจะทําให้น้ํากระเพื่อมเลยเวลาจิตสงบนี้เวลาเกิดความอยากขึ้นมานี่ใจจะกระเพื่อมขึ้นมาเลยจะรู้เลยว่า อ, อ๋อไอตัวนี้เองที่ทําให้ใจกระเพื่อมทําให้ใจไม่สงบทําให้ใจ อ่าหุดเหยดดำคาใจอะไรต่างๆเกิดจากความอยากเท่านั้นเองแล้วเราก็ใช้ปัญญาหรือใช้สติหยุดมันใช้สติก็พุโทโธพุโทโธไปสองสามคำมันก็หยุดละหรือถ้าใช้ปัญญาก็สอนว่าไม่ต้องไปทําตามความอยากทําแล้วก็ไม่ได้สุขหรอกสุขก็เดี๋ยวเดียวสุขแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์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 อยู่กับบ้านอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันเหมือนกับมีขวากหนามเยอะจะเดินไปทางนั้นก็ชนเดินทางนี้ก็ชนเจอแต่ขวากเจอแต่น้ำแต่ถ้าไปอยู่คนเดียวไม่มีขวากหนามเดินเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวคนนั้นก็เปิดนั่นฟังเดี๋ยวคนนั้นก็เปิดนั่นดูเดี๋ยวคนนั้นก็ร้องราทาเพลงคุยกัน วันนั้นก็กินนู่นกินนี่เดิมนั่นเดิมนี่เราก็จะไม่มีกําลังจิตกําลังใจที่จะมาพุทโธเห็นแล้วก็อยากตามเขาไปก็จะไม่มีทางที่จะทําใจให้สงบได้แต่ถ้าไปอยู่คนเดียวไม่มีอะไรมีแต่ข้าวมื้อหนึ่งพอแล้วแล้วก็มีน้ําเปล่าเหมือนพระธุดงค์นี่ท่านไปท่านก็ไปหา ท่าก็มีเท่านี้แหละไปไปอยู่ทุ่งดงในปาน่าเนี่ท่านก็บินนบาตหนเดียวเช้าก็เข้าบ้านห อ, อบินนบาตได้ไรายมาก็ฉันฉันใส่ก็มีน้ําเปล่าไว้ดืม่มถ้าหิวน้ําก็ดื่มน้ําเปล่าถ้าหิวข้าวก็ต้องรอวันนุ่งขึ้นเอาแค่มื้อเดียวพอแล้วก็เาเวลามาควบคุมใจพุทโธพุทโธดึงใจอย่าให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรส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 ก็คำว่าตายก่อนตายนี sout, ่หมายความว่าไงครับก็ให้รู้ว่าร่างกายต้องตายแล้วก็อย sure. ู่แบบคตรตายไงอยู่แบบไม่ต้องใช้ร่างกายที่ายังไม่ตายอย่าไปใช้ร่างกายหาความสุขมาใช้ความสงบนั่งสมาธิใช้ธรรมะหาความสุขจากธรรมะแทนที่จะใช้ร่างกาย รือสมมติว่าร่างกายที่มันอยู่ตอนนี้มันตายไปแล้วถึงแม้มันยังไม่ตายเราก็ถือว่ามันตายไปแล้วเราไม่ใช่มันแล้วใช้มันไม่ได้แล้วเหมือนเวลามันตายเราใช้มันไม่ได้แล้วน้เราต้องมาทำทาใจให้อยู่กับอยู่กับมันแบบมันตายแล้วเราไม่ต้องพึ่งมันเนี่ยถ้าเราไม่พึ่งมันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเวลามันเป็นอะไรเราก็จะไม่กลัว ตอนนี้เราทุกเรากลัวเวลามันเป็นอะไรเพราะเราอย่างพึ่งมันอยู่เหมือนเราพึ่งคนใช้เนี่ยแต่เรามีคนใช้เวลาเขาอยู่เรารับใช้เราเราก็สบายให้เขาทำซักผ้าทำกับข้าวเช็ดบ้านถูบ้านแต่พอเขาไม่สบายหรือเขาขอลากลับบ้านนี่เราจะเดือดร้อนเพราะเราทำเองเราไม่อยากจะทำเอง แต่ถ้าเราหัดทำเองแท้ตั้งตั้งแต่นอนที่ก็ยังไม่ไปเวลาเขาถ้าเราทําเป็นแล้วเราทําได้แล้วเวลาเขาจะเขาจะไปบ้านเราก็ไม่เดือดร้อนเขาลากลับบ้านเราก็ไม่เดือดร้อนเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่เดือดร้อนพราเราทําเองได้เนี่อย่าไปพึ่งร่างกายคําว่าตายก่อนตายก็คือเลิกพึ่งร่างกายให้ถือว่าร่างกายนี้ตายไปแล้ว อย่าไปใช้มันพาเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อย่าไปใช้มันพาไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆหรือไปทำอะไรต่างๆตามความอยากเพราะว่าสิ่งที่เราได้จากการใช้ร่างกายมันเป็นความสุขเดียวๆได้มาแล้วก็หมดไปไปเที่ยวไปไปเที่ยวมากลับมาบ้านความสุขก็หมดไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะออกไปเที่ยวใหม่ไปหาความสุข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 ป่าเท้าเราเนี่ยเวลาเราไปเหยียบน้ําเนี่ยถ้ามันฝังอยู่ในเท้าแล้วเวลาเดินเนี่ยมันจะเจ็บแต่ถ้าเราถอนมันออกไปได้แล้วมันก็จะหายเจ็บแต่เวลาถอนมันก็ต้องเจ็บเลยเวลาถอนความอยากนี่มันเจ็บมันทรมานเวลาอยากแล้วไม่ไม่ทําตามความอยากนี่มันทรมานแต่ถ้าเรามีความมีสมาธิมีสติคอย ทำใจให้สงบมันก็จะไม่ทรมานมากเหมือนกับฉีดยาชาเวลาถ้าจะถอนฟันนี่ถ้าไม่ฉีดยาชานี่ถอนมันมันจะเจ็บมากแต่ถ้าฉีดยาชาเข้าไปแล้วมันจะไม่เจ็บการจะถอดถอนความอยากได้เราจรึงต้องฉีดยาชาให้กับใจก่อนยาชาของใจก็คือความสงบนะพอเรามีความสงบแล้วเวลาอยากอะไรเรา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 ฟันเวลาจะถอนฟันนี่ถ้าฉีดยาชาแล้วมันสบายไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าไม่ได้ฉีดนี่โอ้โหมันจะเจ็บจะปวดมากคนก็ตั้งไม่ยอมไม่ถอนถอนไม่ได้ทนไม่ไหวจนไดเวลาจะเลิกความอยากต่างๆนี่ถ้าไม่มีความสงบไม่เลิกยากเลิกกับแฟนได้ไหัหยอยู่คนเดียวได้ไั้มเลิกกับสามีเลิกกับภรรยาได้ไหม เลิกจากการทำงานได้ไ้ยไม่ต้องทำงานหาเงินได้ัหมเลิกใช้เงินได้เป่าเลิกไม่ได้หรอกเวลาไม่มีเงินนี่มันเป็นยังไงทรมานไหมเวลาไม่มีแฟนนี่ทรมานไหมแต่ถ้ามีความสงบแล้วไม่ทรมาน เ, าลเลิกได้อย่างง่ายดายกลับเห็นว่าการมีแฟนมีเงินกลับวุ่นวายไปเปล่าเปล่าไม่มีแล้วกลับสบายกว่าอยู่คนเดียวสบายกว่า ไม่มีอะไรมารบกวนความสงบถ้ามีเงินทองก็เดี๋ยวเรื่องเงินทองก็จะมารบกวนความสงบของเรามีแฟนเดี๋ยวเรื่องแฟนก็จะมารบกวนความสงบของเราเห็นคนที่มีความสงบแล้วจึงไม่อยากจะมีอะไรมีแล้วมันมารบกวนความสงบงเราแม้แต่ร่างกายก็ไม่อยากจะมีเพราะไม่ได้ใช้มันแล้ว จึงไม่กลับมาเกิดใหม่คนนี้มีความสงบจริงๆแล้วไม่กลับมาเกิดใหม่กลับมาวุ่นวายกับร่างกายทาไมมันเหนื่อยยากกับร่างกายทาไมร่างกายนี้กว่าจะเอามาใช้มันได้นี่ต้องเลี้ยงดูมันกี่ปีใช่ไหแล้วไม่นานมันก็แก่เจ็บตายไปงันสิ่งที่พวกเราขาดกันก็เกิ ความสงบขาดยาชากันถ้าไม่มียาชาถอนฟันไม่ได้ถอนกิเลสถอนความอยากไม่ได้ดังนต้องฉีดยาชาก่อนทําใจให้สงบก่อนพ อ, อทําใจให้สงบแล้วทีนี้ก็ถอนความอยากต่างๆได้หมดเลยพอเราจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนฟันผุเงี้ยมันปวดอยู่ตลอดเวลาถ้าถอนออกไปได้แล้วมันก็หายปวด หรือถ้าเป็นน้ําก็มันก็จะเย็บมันก็จะเจ็บผิวเรื่อยๆเวลาไปเดินไปเหยียบเท้าพอถ้ามันเหยียบกับพื้นมันก็จะเจ็บทันทีเพราะมันมีมีหนามฝังอยู่ในเท้าฝังอยู่ใต้เท้าแต่เวลาถอนก็เจ็บก็ไม่อยากจะถอนอีกถ้าไม่มียาถ้าไม่มียาชาถ้ามียาชาก็ถอนได้อย่างง่ายได้ฉีดเข้าไปปุ๊บถอนออกมาได้เลย เห็นตอนนี้มาฝึกทำใจให้สงบกันไปอยู่คนเดียวล้วใช้สติให้มากๆถ้าไม่มีสติเดี๋ยวอยู่คนเดียวได้ไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงก็อยากจะกลับละมีบางคนมาขออยู่คนเขาเนี่ยมีคนยังอยู่ได้ถึงสองทุ่มก็ขอกลับละเริ่มกลัวผีกลัวอะไรเต็มไปหมดละ กิเป็มันมาในหลายรูปแบบความอยากมันมาหลายรูปแบบสร้างความกลัวให้เรากับอยู่กับสถานที่ไม่ได้อยากจะกลับบ้านนะอยากจะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรอนนะอยู่ที่นี่มันมีแต่สิ่งที่น่ากลัวแต่คนที่เขามีสติเขาก็อยู่กันได้อยู่กันเป็นปีๆไม่เห็นมีปัญหาเลยใจเขาสงบใจเขาไม่ปรุงแต่ง ถ้าไม่สงบนี่เดี๋ยวเห็นใบไม้ไหวหน่อยกิ่งไม้ไหวหน่อยได้ยินเสียงตุ๊กแกวิ่งไปวิ่งมาหน่อยก็คิดว่าผีมาละกลัวละน้ำตาก็พร่าเห็นอะไรไปเต็ไมไปหมดเลยดน <c oughs> <c oughs> ต้องฝึกสติให้มากๆก่อนเราฝึกได้ในขณะที่เราอยู่บ้านสตินี่เราฝึกได้ ตื่ขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปเลยลองทําดูสักวันหนึ่งไหนวันนี้จะท่องพุทโธทั้งวันด้วยมันจะยากขนาดไหนวะอาบน้ํากับพุทโธแปลงฟันกับพุทโธล้างหน้าล้างตากับพุทโธวิภาวิผมก็พุทโธแต่งหน้าทาปากก็พุทโธไปวิภาวิผมแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไปกินข้าวกับพุทโธไปเออถ้ามันพุทโธได้มันก็จะเวลานั่งก็สงบ เวลามีพุโทโธใจก็ไม่วุ่นใจก็ไม่อยากไม่หิวกับอะไรของดีแท้ๆกับไม่เอากันเจ้าไปเอาของที่ทําให้ใจทุกข์ใจวุ่นวายกันเจ้าไปเอาขนมนมเนยเอาลูกเสียงกลิ่นรสกันพออยากใจก็สั่นละพอไม่ได้ก็เสียใจพอได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็อยากใหม่ละ ไม่มีวันจบถ้าเอาความสงบแล้วจบทุกอย่างจะจบลงที่ความสงบเลยจะสงบได้ก็ต้องมีสติมีพุโทโธพอมีพุโทโธนั่งสมาธิได้แล้วทีนี้ก็อยากจะไปอยู่คนเดียวลนะเพราะอยู่กับหลายคนมันวุ่นวายมันสงบยากหรือสงบได้น้อยไปอยู่คนเดียวนี่สงบได้ทั้งวันอืม งั้นก็ขอให้เราพยายามฝึกสติกันอย่าไปคิดว่าเราต้องไปอยู่ที่นู่นที่นี่ถึงฝึกได้ฝึกได้ตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าเราท่องพุโทโธแค่นี้ทําไมท่องไม่ได้ทําไมร้องเพงลงร้องได้ทําไมท่องพุโทโธกันไม่ได้าาเคาราวเกติโอ้ยร้องกันทั้งคืน <laughs> พอให้พูดโทหน่อยนะพุโทโธไม่ออก <laughs> เอาพูดโทรเป็นคาราโ okay. อเกะ่าว่าไงมีอะไรไหมเข้าใจอย่างตายก่อนตายเออย่าไปใช้ร่างกายเดี๋ให้ถือว่าร่างกายมันตายไปแล้วพร้อมที่จะตายอ่าพร้อมที่จะตาย อ, าอายืถ้าเราไม่ใช้มันมันเ ร, เราก็พร้อมให้มันไปอถ้าเรายังใช้มันอยู่เราก็ไม่อยากให้มันไป เราก็จะทุกเวลามันไปเวลาอยู่มันก็เราก็ทุกเราก็กังวลว่ามันจะไปเมื่อไหร่กลัวมันจะไปกลัวมันจะเป็นอะไรเลียวกลัวไปจะไปดี้่า ง, างห้าไม่ได้แต่มันก็ยังอดไปได้ยังอดกลัวไม่ได้เห็นคนหนึ่งเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็กลัวขึ้นมาให้เดี๋ยวต้องเราก็ต้องเป็นเหมือนเขานะแต่ถ้าเรา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 ั้งนี้มีอะไรไหมไปภาษานี่ไปอยู่ที่ไหนมากันบ้างนะอยู่ด้วยกันน ะ, ะ, ะที่เดียวกันนะที่เคยไปที่เดียวกันกป่ะก่อนที่หนูไไนไปล่ลไไะไ ป, ไปชัวร์ข่าวอะไร ยาวกาโยม <c oughs> มีพระไมมีพระกี่รูปพี่น ะ, ะรูแปดออแล้วพวกพวกญาติโยมมีกันกี่คนนะพอดียังไม่ได้เป็นาถึงวะก็มีโยมที่อยู่ประจสคนแล้วก็โยมที่ไปขอนศา่ออ แล้วได้ปฏิบัติตลอดเวลาหรือเปล่าแต่ช่วงเช้าก็าต้องช่วยทำธุร ะ, ะเอ อ, เ อ, อถ้าทําบ้านก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็ดัดความขี้เกียจคนเราทุกคนต้องกินไงก็ต้องหากินกันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งพระก็ไม่บินทบาทโยมก็ทํากับข้าวกับป้า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 สมัยนี้มีธรรมะอย่างน้อยวันละชั่วโมงก็อย่างดีสำหรับผู้ปฏิบัติสมัยที่เราก็อยู่กับหลวงตามีหนังสือของท่านเราก็อ่านวันละชั่วโมงนอกจากไปนอกจากให้ท่านอบรม อ, อาทิตย์ละครั้งแล้วก็ก็อ่านหนังสือของท่านเสริมอีกอ่านแล้วก็ได้ปัญญาได้ความรู้อะไรเยอะแยะรู้จักวิธีอุบายวิธีปฏิบัติต่างๆ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 สวาสยทธาสัพิตโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสิลิสะนิจังวุทาปจายินุจตารโหธรมมวัานติอายุวนุสุขาง พาลา่าอยู่ที่ไหนนะมอยู่กรุงเทพตันเมืองครับเอ่อเห็นมาบ่อยนะนะเคยมาอยูอ่เป็นข้าราชการนะอ๋อไม่ใช่อ่า ตัแท็กซี่เหรอเนี่ยว่ะดอนเมืองอนะเนี่ยยานี้ยังมีเครื่องบินขึ้นลงเยอะเลยดอนเมืองก็มีครับประมาณร้อยกว่าที่อุณหภูมิเป็นเครื่องในประเทศเหรอไงที่ดอนเมืองนี้ค่ับชนชนใหญ่ครับก็อาจจะมีพวกต่างประเทศมีของต่างประเทศด้วยนะอืม ทำไมถึงสนใจมาฟังเทศฟังธรรม่ะเพิ่มความรู้หรือปัญญาครับแล้วก็กำลังใจอเอาไปใช้ได้ไหมธรรมะของพระเจ้าเนี่ย ก, ก็ได้ประโยชน์ครบถ้าติกประจำะครับ อยู่ทำอาหากินมันก็เจอกระไรอย่างครับต้องมอีอุปรกรณ์นในการดูดหายใจครับมันเทาความเครียดไงก็ต้องยอมต้องลดความอยากต้องยอมเสียบ้างอย่าตาเอาแต่ได้อย่างเดียว <c oughs> ถ้ายอมเสียมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่ยอมเสียเวลาเสียมันจะทุกข์ <c oughs> เราต้องยอมคิดว่ามันไม่ในมีอะไรแน่นอนรายได้มันไม่มันไม่มีขึ้นอย่างเดียวมันก็มีลงได้มีขึ้นมีลงมีได้มีเสียเวลาได้ก็อย่าไปใช้มันมากเก็บไว้สำรองไว้เวลามันเสียจะได้ไม่เดือดร้อนมีอะไรมาสำรองไว้ถ้าได้มาเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นเวลามันไม่ได้เวลามันเสียมันก็มันก็จะลาบาก ใครมาทีหลังอยากจะเอาเข้าวของเข้ามาถวายหรือมารับหนังสือซีดีก็เข้ามาได้นะจนถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเข้ามาใครจะคุยกันก็ไปคุยกันไกลหน่อยนะใะห้มนะันเสียงไกลๆหน่อยอย่ามาเข้ามาทางนี้ อยากได้อะไรก็หยิบไปหนังสือซีดี ต้องการหนังสือซีดีก็หยิบได้นะ หมอเรืออยู่เรือยังออกจากท่าไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องไปรับลูกอ่จะไปไปนิพพานต้องไม่มีลูกไม่มีแฟนอย่างเงี้ไปได้ ได้เช่นอรย์สบาเล่มใหญ่นี้ของหลวงตามหาบัวเป็นดวงใจนี้เป็นหนังสือเล่มแรกวงที่ท่านเพิมมแจกเป็นเทพสอนพระสอนโยมนกันเนี่ยดีก็เวลาอ่านที่ยายนี่ไม่ต้องใช้เวลาเลยตั๊เดียว <laughs> หนังสือเพิ่มนี่วันหนึ่งดูพูดเดียวก็จบแล้วพอเจอธรรมะนี่มันต้องใช้เวลา ตอนตอนน้ำท่วมก็ได้อ่านของตาที่เป็ใหญ่จบคันนี้ไปไหนไม่ได้ดูกระโดดขังทางบ้านมีคำถามอเปบ่ามีครับอาจารย์ส่งเข้ามาเลย คำถามจากทาง a c e b o o k live นะครับจากคุณพานุวัฒน์นะครับในชาตินี้ที่เราเกิดมามีเจ้ากรรมนายเวรติดตามเรามาจากทั้งในชาตินี้และชาติก่อนกอนเราจะมีวิธีการขออภัยเจ้ากรรมนายเวรอย่างไรที่ถูกต้องที่สุดทั้งภาวนาหรือการกล่ทําครับการกระทำก็เวลาเจอเจ้ากรรมนายเวรก็กล่าวเขาเลย กล่าวขอเข้ามาขอไผ่ชดใช้ค่าเสียหายที่เราทําให้กับเขาถ้าเขาไม่ยอมเขาจะฆ่าเราก็ต้องปล่อยเขาฆ่าไปเป็นพระโมกคัานะท่านก็ท่านเคยมีเวรมีกรรมกันมาพอเขาจะมาฆ่าท่านท่านก็บอกว่าอยากจะฆ่าก็ฆ่าไปพอหนีไม่พ้นหนีไปเดี๋ยพวกนี้ก็ตามมาอยู่ดีเรื่องเตายมันก็เรื่องธรรมดาอยู่แนละ้ว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 เราต้องมาจองเวรจองกรรกันใหม่คำถามจากคุณเฟิร์นนะครับปัญญาอบรมสมาธินี้ทำอย่างไรจิตจึงจสงบได้ เ, เวลาจิตไม่สงบก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าตอนนี้ไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะเงินนะกบพิจารณาเงินมันไม่เที่ยมมันมีนามีไปทีนี้ถ้ามันจะไปก็ห้ามมันไม่ได้ พอยอมเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันจะไปก็ปล่อยมันไปมันก็สงบมันก็กลับมาพูดโทไดห้หรือแฟนจะไปก็เหมือนกันแฟนก็ไม่เที่ยงเกยดเขาเบื่อแล้วเขาชอบคนใหม่เขาอยากจะไปดึงเขาไว้ก็ไม่อยู่ก็มองแค่เห็นว่าเป็นอนิจจามไม่เที่ยงอนาัตตาห้ามเขาไม่ได้ไม่ใช่ของเราพอยอมรับว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเขาจะไปก็ให้เขาไปเราก็หายวุ่นวายใจ กลับมาพุโทโธได้งั้นก็จะนั่งคิดถึงแฟนอยู่เรื่อยทําไงให้เขาอยู่กับเราจะทําไงไม่ให้เขาไปนั่งแทนที่จะพุโทโธพุโทโธก็พุโทโธไม่ได้เพราะมีเรื่องมีเรื่องคาใจอยู่แล้วเอาปัญญามาเคลียร์เรื่องที่คาใจอยู่ถ้าปัญหานี้่สียงก็ใช้ปัญญาว่าอะนี่ถ้ามีก็ใช้เข้าไปไม่มีก็ติดตารางไปติดคุกไปให้เขายึดซับไปยอมสัอย่างมันก็จบอันนี้เรื่องปัญญา ยอมว่ามันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้มันถึงเวลาจะต้องชดใช้เขาก็ต้องใช้เขาไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งถ้าคิดอย่างนี้แล้วใจก็สงบก็กลับมาพุโทโธต่อได้คำถามจากคุณสริญญานะครับตัวเองชอบกังวลเรื่องลูกชายเขากำลังวัยรุ่นห่วงเขา ถ้าเขาออกจากบ้านไม่กลับตรงเวลาค่ะแต่ก็ฟังเทศพระอาจารย์บ่อยก็อยากถือศีลแปดนะคะ อ, อันนี้เขาเรียนถามค อ, อาจารย์แต่ไม่รู้ว่าถามเราไม่ฟังเฉยๆเ็แตเขาขึ้นมาว่าเรียนถามแต่ไม่ได้ถามมาอะไรแต่ <laughs> คำถามจากคุณหมูนะครับลองพุดโทได้ไม่เกินสิบวินาทีมันหายไปโดยไม่รู้ตัว <laughs> กว่าครึ่งชั่วโมงถึงรู้ตัว <c oughs> พุโ <c oughs> พโทโวนี่มันจับยากนะเลยนน <c oughs> ั่นคาราโอเกะนี่จับง่ายกว่าเลยทองขึ้นใจเลยในพุทโวนี่มันมีความสนุกๆได้สนุกที่มันไปกับพุตัว ก็ให้มันอยู่กับมันนะ่ไม่ต้องสนุกหรอกสนุกแ้วเดี๋ยวมันก็จะจะคืบขนองขึ้นมามันก็จะไม่สงบแล้วการให้อยู่กับพุโทโธเพื่อไม่ให้มันไปคิดเรื่องราวต่างๆนอคำถามจากคุณพัชราพี่ชายเพื่อนป่วยเส้นเลือดไปหัวใจตีบสามเส้นนอนไอซู เติมเลือดทุกวันเขาเป็นคนดีมีคนรักมากจึงมีเพื่อนมาบริจาค ก, กันเรื่อยๆและบอกข่าวกันต่อๆในโซเชียลแต่มีคนไปปล่อยข่าวว่าเสียชีวิตมไม่รับบริจาคเลือดแล้วโยงช่วยแก้ข่าวและอดโมโหไม่ได้ว่าปล่อยข่าวได้อย่างไรโยมสอบตกใช่ไหมค ะ, อะของพระอาจารย์เมตาใช่เราไปห้ามเขาไม่ได้ไงใครจะพูดอะไรใครจะเขียนอะไร ก็เราก็มีหน้าที่ไปตามเช็ดตามล้างก็ตามไปเช็ดตามไปล้างไปแต่ไปโกรธก็ไม่เกิดมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรใจเราต้องเป็นปกติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องรักษาใจให้สงบตลอดเวลาเพราเวลาโกรธในใจเราก็ทุกข์ละเสียหลักเหมือนกับถูกยิ่งถูกเขายิงละแต่ถ้าเขาเขียนอะไรเราใจเราก็เฉย เขาก็ทําำจะอะไรใจเราไม่ได้งนั้นต้องมีสติคอยดูใจตลอดเวลาว่าตอนนี้ยังสงบอยู่หรือเปล่าแล้วเ ร, เริ่มวุ่นวายแล้วเริ่มโกรธเริ่มเกลียดอะไรแล้วถ้าโกรธเกลียดแสดนงว่าเราแพ้แล้วเราสอบตกแล้วเราต้องรีบถ้าขับรถก็เหมือนเริ่มออกขอบตกไปขอบถนนนะต้องรีบดึงรถกลับขึ้นมาบนทางไม่งั้นเดี๋ยวมันเพิกความน เดี๋ยวจะเจ็บถลอกปลอกเปลือกมากไปกว่านี้ถ้าโกรธแล้วเดี๋ยวไปไปไปโพสต์สู้กันด่ากันเดี๋ยวก็คำถามจากคุณการหากเราฆ่าสัตว์โดยไม่ตั้งใจบาปไหมครับเราจะต้องรับผลอย่างไรครับเช่นขับรถแล้วสุนัขวิ่งตัดหน้ารถทำให้สุนัข ต, ตาย เราจะต้องชดใช้กรรมหรือเปล่าครับอ่อมันไม่มีเวรกันคือสุนัขมันก็จะไม่มาจองเวรจองกรรมเราแล้วเราก็ไม่ได้ทำบาปมันไม่ได้เป็นเจตนาแต่ถ้าเราอาจจะไปเกิดเป็นสุนัขชา ต, ติต่อไปเราก็อาจจะไปถูกรถชนตายก็ได้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 แล้วแต่ความเร่อความาต้องการของเราเราจะปฏิบัติในระดับไหนระดับต่ําก็ศีลห้าระดับกลางก็ศีลแปดศีลสิบระดับสูงก็ศีลสองรอยิบเจ็ศีลสามร้อยกว่านี่เราก็เลือกปฏิบัติเอาเหมือนกับซื้อของเ่ยของมันก็มีหลายราคาใช่ไหมศีลค้าเช่นรถยนต์มันก็มีหลายระดับระดับ ตามระดับกลางระดับสูงึนมันก็ต้องจ่ายเงินมากน้อยต่างกันไปแล้วสินค้าที่เราได้มาก็จะมีคุณสมบัติคุณสมมีความสามารถแตกต่างกันไปรักษาศีลได้มากขึ้นมันก็จะได้ความสงบมากขึ้นความวุ่นวายก็จะน้อยลงไปคําถามจากคุณสามารถ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 ตัดความอยากตัดกิเลสต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้ามีสมาธิอย่างเดียวก็เพียงตะกดมันไว้กดความอยากไว้เวลาใจสงบความอยากก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้พอออกจากความสงบมามันก็อยากมันก็ไปทาตามความอยากถ้าออกมาแล้วถ้าไม่มีปัญญามันก็จะไม่ไปหยุดความอยากเพราะความอยากมันจะหลอกว่าดีไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรนะั้นมันดีมันสุข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 คำถามจากคุณเบิร์ตปกติไม่ได้ตั้งความหวังว่าจะให้ลูกเป็นอย่างไรไม่ยุ่งวุ่นวายกับเขามากแต่กลับเป็นว่าเขาทำแต่เรื่องวุ่นวายใจให้บ่อยๆแบบนี้เราจะต้องวางใจอย่างไรคะไม่ให้ทุกไปกับลูกห้ามเขาไม่ได้ไงควบคุมมังคับเขาไม่ได้ตลอดเวลาเหมือนฝนฟ้าอากาศ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 การฝึกมโนโมยิทธิเทียบกับการทำวิปัสนาควรฝึกอันไหนดีคะอยากทราบความแตกต่างเ อ, อเราไม่รู้หรอว่าเราไม่เคยฝึกทางนี้มาก่อนน่ะต้องไปถามคนที่เขาฝึกมโนยิธิหรือว่าเขาฝึกกันยังไงคำถามจะคุณอิทธิรู้ได้อย่างไรว่าจิตมีกำลังสมาธิพอแล้วพอแล้วสำหรับจเจริญวิปัสนาครับ มันก็ต้องสงบเต็มที่อจิตมันก็ต้องรวมเป็นหนึ่งสัตวแต่ว่าเราเป็นอุเบกขาอันนั้นมันก็จะรู้ว่าจิตไม่ไม่กระเทือนไม่มีความรักชังกลัวหลงในขณะนั้นก็ถือว่าเป็นจิตที่มีกําลังที่จะสอดสู้กับกิลเลสคือความรักชังกลัวหลงได้คําถามจาคุณสุภาพรเจ้ามาไม่มีอะไรมา เจ่าไปไม่มีอะไรไปหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปปริศนาธรรมคืออะไรคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราเรารู้ว่าใจนี่มาเปล่าๆตัวเปล่าๆแล้วก็ไปตัวเปล่าๆใจเรานี่เวลามาได้ร่างกายมันก็ไม่มีสมบัติที่เช็กซักชิ้นติดตัวมา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 แต่ก็ชอบนั่งว่านั่งด่าผู้อื่นด้วยคำพูดจยากคายขอถามว่าเขาพ้นอักไรไม่ถามเขามาถามเราได้เราจะไม่รู้ถามว่นสิคุณพ้นอะไรคำถามจะคุณพาภาวพันภาวพันนะครับข้อแตกต่างระหว่างสมถะกรรมฐาน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 มันพูดอะไรกันไม่รู้เรื่องเป็นไงทำไมครับขณะที่นามและรูปแยกออกจากกันสภาวะธรรมก่อนเกิดขณะเกิดและหลังเกิดเป็นอย่างไรครับคำว่าขณะที่นามและรูปแยกออกจากกันมันหมายความว่าอะไรนะอ้อนามกับรูปมันจิตกัายหรือเปล่าั่สคือนามนามมันก็คือนามขัน รูปก็คือรูปประขันรูปประขันนามขันรวมกันก็เป็นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็จะแยกกันตอนที่ตายหรือตอนที่จิตสงบจิตสงบตอนนั้นจิตนามะขันก็สงบตัวลงเหมือนก็เหมือนกับว่ามันแยกออกจากรูปประขันตอนนั้นก็เหลือแต่อุเบกขาสักแต่ว่ารู้ล้วมันจะไปไม่ มีสภาวะอะไรเกิดขึ้นก่อนดับขึ้นอะไรไม่มีนั้นถามคำถามแบบไม่รู้ว่าถามอะไรคำถามจะคุณสมหมายนะครับเช้าก yeah, mm. ่อนจะไปถืออุโบสถศีลแต่ติดเครื่องรถสายพานแอรไปตัดตัวหนูตายโดยที่โยมไม่เห็นและไม่มีเจตนาศีลแปดของวันนั้นโยมจะครบไหมคะ ครบพรบไม่ได้ทาไม่ได้ฆ่าด้วยด้วยการมีเจตนาเนี่ยคำถามจะคุณทิพวรรณนะครับถ้ากินอาหารที่มีส่วนผสมของเหล้าสาเกหรือไวน์ขนาดทำพวกแอลกอฮอล์ระเหยไปหมดแล้วถือว่าผิดสิ่งข้อห้าใไหมคะถ้าจะเอาตามคำพูดมันก็ผิดะมันก็ยังเสพจุลาอยู่ก็อย่าไปใส่มันสิก็อย่าไปใส่สาเกยอย่าไปใส่ ดูล่ลอาหารมันก็ไม่ต้องมีของมูลนิสัยเข้าไปมันก็กินได้ไม่ใช่ไหมคำถามจากคุณขันติพงนั่งสมาธิจิตจะสงบเร็วมากแต่พอครบสามสิบนาทีจิตจะถอนพยายามนั่งต่อแต่จิตไม่ยอมมีวิธีแก้ไหมครับ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 ทำไมเวลานั่งภาวนาพุโทโธหายใจเข้าออกลึกๆแต่เหมือนกับหายใจไม่สุดท้องต้องทำอย่างไรเจ้าคะเพราะเราไปบังคับลมเราอย่าไปบังคับลมปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนตอนนี้เรานั่งนี่เราไม่ได้ไปบังคับลมเนี่ยมันจะสุดท้องไม่สุดท้องก็ไม่เป็นปัญหาอะไรการนั่งสมาธินี้เราไม่ต้องการที่จะมาควบคุมบังคับลมเราต้องการอาศัยลมเป็นที่ผูกใจเท่านั้นเอง ลมจะสุดไม่สุดไม่เป็นไรจะสั้นจะยาวไม่เป็นไรจะยาวจะละเอียดไม่เป็นไรขอให้เราเพียงแต่รู้เท่านั้นในว่าตอนนี้มันกําลังเข้าหรือออกแค่นั้นเองให้อยู่กับการเข้าดูลงเพื่อที่ใจเราจะได้ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เี่ถ้าไม่คิดนั้นใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้คําถามจากคุณสุภการนะครับ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 ก็เราไม่ได้เป็นคนฆ่าเองเราเพียงแบบเป็นคนขายสารพิษอืแต่เราไม่ได้เป็นคนฆ่าเราก็ยังไม่ได้ผิดศีลคำถามจากคุณคุ ณ, ค, ณ, ค, ณคุณจีฬานะครับมีวิธีตัดใจเรื่องลูกชายมหกเทอมสุดท้ายแล้วเจ้าค่ะเอมาเล่าให้ฟังมางเล่เาเล่าต่อไม่ได้ไหว่า ไม่ยอมไปโรงเรียนทุกใจมากค่ะอยากให้เขาจบมหกเขาขอแต่ทําใจได้นะอทําใจได้แล้วก็แสดงว่าไปก็ได้ไม่ไปก็ได้จบก็ได้ไม่จบก็ได้คําถามจากคุณสงสุขเราฝึกปฏิบัติมาสัปพักมาถึงความว่างค่ะอะไรมากระทบก็วางได้ไวัยความวางได้ไว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 พอเรายอมแล้วเราก็จะรู้ว่าอ่อเราไม่ทุกข์กับร่างกายแล้วเวลาร่างกายแ ก, ก่ก kind of killers, เราก็ไม่ทุกข์เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมันเราก็ไม่ทุกข์เวลาร่างกายตายเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีอะไรท <c europe> ําให้เราทุกข์ใจเราก็อยู่กับความว่างไปตลอดเวลาเพราะความว่างเป็นความสุขอย่างยิ่งกลัวมันจะไม่ว่างจริงนะสิถ้าว่างจริงมันไม่ต้องมาถามว่าจะทําอะไรเหมือน <c oughs> ได้เพชรมาแล้วถามว่าจะทําอะไรดีกับเพชรเม็ดนี้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 ใจเราจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการเดินใจเราจะได้อ่าผูกอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้อยู่กับพุทโธไปหรืออยู่กับเท้าไปอเ mm hmm. ช่นทางพระนี่ท่ากวาดอยู่เรื่อยๆใบ ม, มุงใบไม้อะไรเนี่ยก็กวาดให้มันทางมันมันสะอาด mm hmm. เดินไปเดินมาจะได้ไม่มีอะไรมาคอยมาอรบกวนใจ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 ถูเขดาด่าก็ให้เขาด่าไปเขาจะตีก็ให้เขาข ต, ขตีไปแล้วถ้าเขาแช่งหลักเจ้าคะจะเป็นตามที่เขาแช่งหรือเปล่าเ อ, อ๋อถ้าเขาประกาศสิทธิของเขาเด็ดขาดอย่างนั้นก็ดีเลยแต่แช่งไม่ได้หรอกมันตัวที่แช่งเราก็คือบุญกรรมนี่ที่เราทำนี่แหละเป็นตัวที่จะแช่งเราให้ดีหรือให้เราชั่วก็อื่นไม่สามารถแช่งก่อน ให้คนอื่นเป็นอะไรได้มันแก้เป็นลมปากเท่านั้นเองยเป็นทำอะไรได้คำถามหมดคล้วพระาอาจารอ์อ๋ อ, อมีคำถามวันครั้งก่อนเคยถามพระอาจารย์เรื่องอ่าผู้เริ่มโครงการ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 ถ้าเราก็ไปเสียใจเขาไม่เขาไม่เขาไม่เอ่ยถึงเราพูดเป็นผู้รื้เดิมอเงี้ยเราก็จะไม่ได้ความสุขจากการกระทาของเขาแต่ถ้าเรายินดีว่าเออเราเป็นผู้กระทำรื้อเริ่มแล้วเขาเามาสานต่ อ, อเราก็มีความสุขกับการกระทาที่เขาดีกว่าไม่มีใครมาประสานต่อใช่ถ้าไม่มีใครมาทำต่อมันก็จะจบไปโครงการนี้ก็จะจบไป การที่มีคนมารับต่อเราก็ดีใจไปกับเขาด้วยเราก็มีความสุขได้แต่มันไม่สุขเท่ากับเราทำเองการอนุมโมทนากับการทำความดีของคนอื่นมันเพียงแต่ทำให้เราไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่เสียใจเท่านั้นเองป้องกันตรงนี้แต่มันไม่ได้ทำให้เราเกิดความอิ่มเอิบใจเหมือนกับเวลาที่เราทาบุญทาทานมันต่างกัน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 ก็ถือว่าเราก็เราก็มีความสุขได้จากการทําต่อของเขาดังนั้นควณจะยินดีไม่ควรไปอิจฉาริษยาหรือประมาณว่า<ฮ>เขาไม่ดีกว่าเราไม่งันจะกลายเป็นคําบาปเลย<ฮ>ใช่ไหมครับอาจารย์มันก็ทําให้เราไม่สบายใจนะคําถามจากคุณศิรินยานะครับขอให้พระอาจารย์แนะนําค่ะถ้ามีความทุกข์กับลูกชาย กำลังวัยรุ่นจะทำใจอย่างไรก็แค่วาเล้งดีงก็แล้วกัน <laughs> ถ้าตีได้ก็ตีถ้าตีไม่ได้ก็ก็ผูกมันไว้ก็แล้วกันถ้าผูกมันไม่ได้ก็ก็ช่วยไม่ได้ก็แล้วแต่มันแล้วแต่บุญแต่กรรมของมัน เดี๋ยวก็มีคําถามก็มาเรื่อยๆไม่มีไม่มีเดี๋ยวเราก็เลิกได้ไม่เป็นไรหรอกจิตใจของเราก็เป็นลิงอันที่เราควรจะสนใจกับลิงของเรามากกว่าเป็นสนใจกับลิงของคนอื่น จิตใจเราก็เป็นลิงกสร้างความวุ่นวายสร้างความทุกข์ให้เรากันตลอดเวลาแต่เรากลับไม่มาปราบมันเรากลับไปคอยปราบลิงของคนอื่นเอาไปปราบลิงของลูกไปปราบลิงของสามี <IST> ปราบลิงของภรรยาตัวแล้วก็ตัวเองเลยวุ่นวายไปใหญ่ <IST> เรามาปราบลิงของเราก่อนทำใจของเราให้สงบก่อนปราบความวุ่นวายใจของเราให้ได้ก่อน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 พอไปสอนให้เขาเขาไม่ทำตามที่เราบอก mm hmm. ก็ยิงแทนที่จะไปรักเขาที่นี้กลับไปโกรธไปเกลียดเขา้าสิอันนี้แสดงว่าทำผิดทำด้วยความอยากเพราะเรายังไม่กำจัดความอยากในตัวเราถ้าเรากำจัดความอยากในตัวแล้วเราจะทำโดยไม่มีความอยากทำด้วยเหตุด้วยผลทำตามหน้าที่เราไม่นี้มีหน้าที่สอนมีหน้าที่บอกก็สอนเขาไปบอกเขาไป ส่วนเขาจะทำได้ไม่ได้มันก็เป็นหน้าที่ของเขาไม่เกี่ยวกับเราเราก็จะไม่ไปโกรธเขาเกลียดเขาันก็เสียใจถ้าเขาทำไม่ได้เราก็มองด้วยเหตุด้วยผลท่านนั้นเองเนี่ยคือวิธีสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ท่านไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับใครหรอกท่านก็สอนแล้วใครจะไปทำได้ก็ทาทำไม่ได้อย่างพระเทวทัศสอนจนกระทั่ ง, งจะมาฆ่าพระองค์ท่านก็ยัง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 เพราะุธเจ้าไม่เดือดร้อนเนี่ยชท่านสอนเนี่ยพุทธบ ร, ริสัทธ์สี่เนี่ยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ไปนิพพานกันทุกคนหรอกใช่ไหมพวกที่ไปถึงก็มีพวกที่ไปไม่ถึงก็มีก็เปลี่ยนเหมือนอาจารย์สอนเด็กเน่ยสอนเด็กบางคนบางคนก็จบบางคนก็สอบตกบางคนก็สอบผ่านก็สอนให้เท่ากันหมดทุกคนอยู่ในชั้นก็เรียนฟังด้วยกันสอนพร้อมๆกันไปแต่ทําไมบางคนสอบได้ที่หนึ่งบางคนสอบตก มันก็อยู่ศักยภาพของเขาความสามารถที่เขาจะดูดซึมความรู้ความรู้ต่างๆที่ครูบาอาจารย์ได้ถ่ายทอดให้กับเขาได้มากน้อยเพียงไรถ้าเขามีศักยภาพมากสามารถดูดซึมได้มากเขาก็สามารถที่จะได้รับประโยชน์มากแต่ถ้าก็เป็นแบบสุนัขที่เราสาสน้ำเทน้ำใส่หลังสุนัขนี่เทปั้ามันก็สะบัดทิ้งหมดเลยนี่วเวลาสอบก็สอบตก แต่ถ้าเป็นแบบก ร, ร, ระดาษซับกระดาษซึมนี้พอเทน้าลงไปนี่มันจะดูดน้าหมดเลยฉะนั้นก็อยู่ที่ลูกศิษย์อยู่ที่นักศึกษานักเรียนคนสอนนี่ไ ม, ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีไม่ได้เร็วไปกับความดีเร็วของลูกศิษย์อยู่ที่ความสามารถของลูกศิษย์แต่ละคนเพราะว่าอาจจะสะสมสติบาลมีมาไม่เท่ากัน สตินี่สำคัญที่สุดเวลาจะฟังอะไรถ้าไม่มีสติใจมันก็จะลอยจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้ามีสติตั้งใจฟังมันก็จะเข้าใจเข้าใจมันก็จะจาได้พอไปสอบมันก็จะสอบได้มีคำมาอีกไหมมีครับค <ừ. S 2> ำถามจากคุณเอคิดนะครับการที่เรามีสติไปรับรู้ในสิ่งที่เรากำลังคิด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 มันก็ยังคิดอยู่โดยที่ไม่รู้สึกตัวเองงนั้นหยุดคิดทุกอย่างแม้นเรื่องขบวนการของมันก็ไม่ต้องไปสนใจขอให้สนใจอย่างเดียวว่ามันหยุดเนได้หรือเปล่าหยุดคิดได้เปล่าความคิดนี้มันฉลาดนะมันจะหลอกให้เรากลับมาคิดถึงขบวนการอีกออมันก็ไม่สงบสักทีดังนั้นให้มันหยุดคิดไม่ว่าจะหยุดมันจะคิดเรื่องอะไรหยุดมันหมดให้มันอยู่กับพุทโธคําเดียวอย่าไปคุยกับมัน นักคุยนั่นเนี่ยมันหลอกนะ อ, อชอบคุยกับมันด้วยใช่ไหมชอบคุยกับความคิดเลยเป็นเพื่อนกั น, นก่อนมานี่ไม่ได้คุยกับใครก็คุยกับความคิดไปทําให้นั่นดีไหมทําอย่างนี้ดีไหมมันชวนเราลน ะ, ะแล้วก็ไอ้จะดีหรือปเปล่าอย่างงุ้นอย่างงี้ถามตอนไปตายอกันมา มันถึงนั่งสมาธิไม่ได้สงบสักทีนั่งไปแล้วก็คุยกับตัวเองโดยไม่รู้สึกตัววิภาควิจารณ์นู่น น, นวิภาควิจารณ์นี่วิภา์วิจารณ์การนั่งสมาธิสิคิดว่าฉลาดกระบวนการนี้ทำให้หยุดกระบวนการนี้แต่กระบวนการวิภาควิจารณ์ไม่หยุดคำถามจากคุณชนณลินนะครับ เวลาเครียดหรือต้องใช้ความคิดแล้วจะง่วงและหลับง่ายง่ายทั้งกลางวันและกลางคืนผิดปกติหมาเจ้าค่ะควรแก้อย่างไรถ้าอยากจะหลับมันก็ไม่ต้องแก้บางคนเครียดแล้วนอนไม่หลับถ้าเราเครียดแล้วหลับก็ก็สบายก็ดีไปแต่ถ้าเราต้องการทําให้ใจสงบแล้วมันหลับมันก็ไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ความสงบก็ต้องอ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 คำถามจากคุณสละออนะครับเวลาที่เรานอนภาวนาพุทโธทําไมหนูถึงนอนไม่หลับคะเหมือนจิตมันตื่นอยู่ตลอดเวลาจนหนูต้องเลิกบริกรรมคําภาวนาถึงจะหลับถ้ามันถ้ามันภาวนาบริกรรมแล้วไม่หลับก็ก็หยุดภาวนาไปหยุดบริกรรมไปก็เท่านั้นก็ดูตามเหตุตามผลก็แล้วกันถ้าเราบริกรรมแล้วมันไม่หลับก็ ควาจริงเรานั่งสมาธิเราก็ไม่ต้องการให้มันหลับเราต้องการให้มันสงบนะบางคนก็บริกรรมแล้วหลับเพราะว่าถ้าก็ไม่บริกรรมแล้ว<ๆ>เขาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วไม่หลับพอก็บริกรรมแล้วหลับแต่ถ้าเราบริกรรมแล้วไม่หลับเราหยุดบริกรรมลแล้วหลับเราก็หยุดบริกรรมไปเท่านั้นเองถ้าเราอยากจะหลับคําถามจากคุณยานินการบอกบุญต่อด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าเขาไม่พอใจที่บอกบุญ เราจะบาปไหมคะอ่อไม่บาปหรอกเป็นแต่ว่าเราต้องดูกาลเทศะดูว่าคนที่เราบอกนั้นเขายินดีที่จะรับบุญหรือเปล่าถ้าเป็นพวกบุญบอกบุญไม่รับก็อย่าไปบอกคำถามจากคุณไปวัดทำบุญเวลาทำสมาธิชอบใช้ประคำจนตอนนี้รู้สึกว่าติดแล้วอันนี้ถูกต้องไหมครับ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 ถ้ามันตอนต้นจะใช้ก็ใช้ได้ถ้ามันยังคิดฟุ้งซ่านอยู่ล้วใช้ประคำช่วยทำให้ใจหายฟุ้งซ่านได้พอหายฟุ้งซ่านแล้วก็หยุดใช้ประคำแล้วก็มาพุทโธต่อหรือดูลมต่อไปหรือหรือภาวนาแบบที่เราใช้กับประคำเพียงแต่ไม่ต้องใช้ประคำคำถามจากคุณพัทราพรลูกรายงานผลการนำคำสั่งสอนของพระอาจารย์ไปปฏิบัติค่ะ ตอนนี้ลูกเลิกทางกาแฟมาได้เกือบสองเดือนแล้วค่ะและการนั่งสมาธิจิตเริ่มรวมแล้วแต่รวมได้ไม่นานรวมได้ประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้านาทีลูกต้องนั่งให้ได้นานนานต่อไปใช่ไหมคะก็คือให้มันสามารถสงบได้ทุกครั้งที่เรานั่งนะแล้วสงบได้ง่ายพอนั่งปุ๊บก็สงบเลยส่วจะนานไม่นานก็แล้วแต่ค่ะ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 ของธรรมชาติของจิตใช่ไหมเห็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นภยัยมันก็จะมีสองทางถ้าไม่มีสติก็ตกใจสติแตกไปวิ่งตลอดเปิดเปลงไปถ้ามีสติมันก็จะหนึ่งใจคุมใจให้เข้าสู่ความสงบเฉะั้นถ้าอยากจะให้มันสงบด้วยการเดินจงกรมก็ต้องไปเดินในป่าอะไรอย่างเวลาเจองูเจออะไรนี่มันก็จะพรวดเข้าไปข้างในเลย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 ก็แล้วแต่แต่ถ้าเราอยากจะได้เงินสวนแล้วได้เงินก็ไม่มีใครว่าอะไรก็ดีกว่าไปขโมยเงินของคนอื่นคำถามจากคุณภาวิษณ์นะครับชีวิตที่ผูกไว้กับการวางแผนหรือเป้าหมายอย่างชัดเจนในการดำเนินชีวิตในอนาคตจึงเกิดปัญหาขึ้นภายในใจแต่หากไม่คิดหรือไม่วางแผนการใช้ชีวิตโดยปล่อยให้ใจว่าง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 จะขึ้นก็ได้จะลงก็ได้จะเจ็บก็ได้ไม่เจ็บก็ได้จะเป็นก็ได้จะตายไม่ก็ได้แบบนี้ก็ไม่ต้องไปวางแผนอะไรให้มันเหนื่อยยากลำบายไม่ต้องเครียดเพราะบางทีวางแผนแล้วมันไม่เป็นไปตามแผนมันก็เครียดขึ้นมาถ้าจะวางแผนก็ต้องรู้จักปรับให้เข้ากับเหตุการณ์เวลาเราวางแผนไว้ล่วงหน้าพอถึงเวลานั้นมันไม่เป็นไปเราก็ต้องเปลี่ยนแผนใหม่ อาแผนนี้ใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้แผนใหม่บางทีเราอาจจะต้องวางหลายๆแผนสำรองไว้ก่อนมีทางเลือกหลายๆทางถ้าไปทางนี้ไม่ได้ก็ไปทางนี้ถ้าจะไปทางนั้นทางนี้ไปไม่ได้มันก็จนต่อไม่รู้จะทำอะไรต่อมันก็จะเครียดจะทุกข์ขึ้นมาครับถามจะคุณต้นน้ำนะครับอ่าไม่รู้ว่าค็าถามปิดไหมนะครับแต่เขาบอกว่าเร่งสาธุแล้วใจสงบ แต่ทำไมไม่ใส่ครับหรือผิดที่เราติดเร่งอาจจะเป็นเร่งพุทโธหรือแบบเร่งสาธุแล้วสงบแล้วไม่ใส่ะใจไม่ใส่ครับใจไม่ใส่ที่เราติดเร่งไม่รู้ว่าเขจะเขียนว่าเร่งพุทโธหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็นอาจจะใช้คําสาธุแทนพุทโธก็ได้ก็ได้เพียงใดว่าอมันจะใส่ไม่ใส่ก็ดูไปตามวาระก็แล้วกันวานี่อาจจะไม่ใส่แต่วาระต่อไปมันอาจจะใสก็ได้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 คำถามสุดท้ายนะครับจากคุณพาดานะครับการนำอัญมณีไปถวายวัดใส่ไว้ในยอดฉักตอนเขายกยอดฉัดทำให้ได้บุญกุศลด้านใดคะก็เป็นเหมือนกับถวายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราอยากจะบูชาพร ะ, ะาราตนตรัยพระพุทธรูปด้วยการถวายสิ่งที่มีค่าและสิ่งที่มีค่าก็คือพวกเพชรอินจินดาดต่างๆถ้าเป็นเรื่องธรรมเนียมนิยมก็ทไป แต่ถ้าเป็นเรื่องเหตุผลก็ไม่ควรจะทํำเพราะมันก็เป็นที่ทาให้เกิดอมิจฉาชีพได้เดี๋ยวขโมยมันก็จะมาเข้ามาขาโมย <c oughs> <c oughs> ได้แต่ถ้าคิดว่าทําแล้วมันมันมีการดูแลรักษาก็ทําไปพุทธเจ้าบอกว่าให้ปฏิบัติบูบชาดีกว่าอาบิสบูชาให้เราเอาเงินทองนี่มาทําบุญดีกว่า เอามาทำประโยชน์ให้กับผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าหรือเป็นคาลว่าญาติโยมดีกว่าเอาเพชรอะไรไปแขวนไว้บนยอดฉัดไมมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกลับเป็นภาระรของทางว่าจะต้องปิดระบบกล้องจุงวมงจา <c oughs> หมดแล้วใช่ไหมหมดการมีใครอยากจะถามเองไหม ไม่ม terminar, ีก็จะขอปิดประชุมนะก็ขอให้นำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพนิดเพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปแทง